หลวงพ่อออกจากวัดไปหลายวันแต่ตาไม่จริงหลวงตาเริ่มป่วยตั้งแต่วันที่8นะวันที่8พฤศจิกาพุทธศักราช2553เริ่มมีอาการแล้วก็วันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2553องตาไม่ฉันไม่ลงมาฉันอาหาร หลวงพ่อก็ได้เข้าไปไประชุมตั้งแต่วันที่สิบห้าตอนบ่ายกับคณะแพทย์จากนั้นวันที่สิบหกลวงพ่อเข้าไปวัดป่าบ้านตาดจากนั้นก็เข้าไปอยู่ที่นั่นจะเป็นส่วนมากจนถึงได้ลงไปกรุงเทพเจ็ดแปดวันที่เอาลงตาไปที่สิริราชจากนั้นหลวงพ่อได้กลับขึ้นมากลับขึ้นมากับเพิ่งเพิ่งมาวัด ขาวที่แล้วนะมั้งได้สองคืนจากนั้นก็ไปอีกเพิ่งกลับมาอีกเนะี่ยกลับมาขาวนี้เขาคงจะเป็นวันที่สิบสี่วันวันที่สิบสี่วันพรุ่งนี้จะมีการมอบเครื่องมือแพทย์ที่โรงพยาบาลสูงอุดรเครื่องผ่าตัดหวัวใจเครื่องบายพาสขณะทางกรุงเทพหรือ กะหาบดีของเมืองอุดรคงจะมารวมกันแล้วก็คงจะมอบบ่ายโมงบ่ายโมงวันพรุ่งนี้วันที่สิบสี่มกราพุทธศักราชสองพันห้าอห้าสิบสี่เครื่องมือแพทย์ราคาห้าล้านเจ็ดแสนห้ามืจะมอบวันพรุ่งนี้นั่นหลวงพ่อ ไม่ค่อยได้อยู่วัดอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นมีความจําเป็นนะแต่ว่าวันในพระในวัดของเราไม่เท่าไหร่ พ, พระเวนพระยี่สิบเอ็ดเดี๋ยวนี้อยู่ที่วัดป่าบรรดาไมีอยู่สองอยู่ที่นั่นแต่หลวงพอ่อดูดูแล้วก็โอหลวงพ่อไม่ใช่ไปแล้วสนุกสบายนะคณะลูกหลานเะนี ถึงอาหารพวกเราดูในโทรทัศน์มืเรินเทินทักก็เะพอเห็นอาหารแล้วตรงพ่อก็อิ่มจากนั้นก็มีความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นมันอิ่มไปหมดเลยทีนี้มันอิ่มหมดพวกลูกหลานเห็นหลวงพ่อเนาะโอ้หลวงพ่อทำไมผอมมากเลยวะพอ พอหลวงพ่อไปอยู่ที่นั่นนะดูแล้วมันฉันก็ไม่ปกตินอนก็ไม่ปกติความคิดความพยายามใช้แนวความคิดประสานสมคีพี่น้องลูกหลานทุกขูทุกคนจะรักษาองค์หลงตาอย่างไรล้วนแล้วจะเป็นแนวความคิดไทจวาววิตกกังวลก็ใชเ่เพื่อจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยด้วยดี เรียบร้อยราบรื่นมันก็ไม่เหมือนอยู่วัดวันนี้แหละหลวงพ่อจะฉันอาหารอร่อยงนั้นแต่แต่อยู่อย่างนั้นนั่นโอ้แต่จะทํำยังไงได้เวลาเราไปชุมชนสิ่งที่จะต้องได้คิดได้อ่านมันก็ต้องได้คิดช่วยกันคิดพี่น้องอย่าที่หลวงพ่อเคยพูดพี่ได้สองน้องได้หนึ่งอย่างนั้นแหะ มีอะไรก็ต้องปรึกษาปารักันใครมีความคิดเห็นยังไงใครดีในความคิดเห็นที่ดีกว่าก็ต้องยอมรับเราจะเป็นดันทุลังอย่างเดียวก็ไม่ได้หัวชนฝาอย่างเดียวก็ไม่ได้เราจะไปอ่อนแอจนไม่มีความคิดเสลยก็ไม่ได้ไม่ฟังคำใครเเลยก็ไม่ได้แต่ทีอยังไงก็ต้องมีเหตุมีผลเพราะหลวงตา เป็นบุคคลสาธารณะเป็นบุคคลของโลกไม่ใช่ของเราคนเดียวไม่ใช่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหลวงตาเป็นพระของทุกคนเป็นพระส่วนรวมเพราะนั้นเวลาคิดต้องปรึกษาปรารถกกันแต่ว่าตามจริงการปรึกษาปรารถกกันหลายๆคนมันก็ทำอืดอาดเหมือนกันมันก็ต้องมีการตั ด, ตดสินใจแบบ รวดเร็วฉับพลันออันนั้นก็ต้องมีอีกนี่แหละมันรับหลายสลับซับซ้อนเหมือนกันน ะ, ะไม่ใช่ว่าจะอาศายัยหลายคนแล้วก็คิดเลยอืดอาดเหนื่อยน้ากลัวจะตัดสินใจได้ไปที่ไหนแล้วอันนั้นก็ไม่ถูกตัดสินใจฉับพลันรวดเร็วจนเกินไป ร, รัวระตัดตอนเกินไปอก็ไม่เป็นเป็นที่ตำหนิของคู่คนทั้งหลายอีกเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไง ส่วนรวมก็ใช่ส่วนกลางก็ใช่ส่วนที่จะตัดสินใจเสียพันก็ใช่การตัดสินใจเสียพันนั่นคือคืออะไรเราก็ต้องหาหมอที่มีความ ช, มนชมนานิชำนาญหรือมีแนวความคิดที่ดีที่สุดมาช่วยการตัดสินใจในช่วงนั้นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างนี้เป็นต้นนะความคิดแต่ละคน แ, กแตกต่างกันอันนี้เราก็ไม่ว่า เพราะความคิดเนี่ยแต่ละคนแต่ละหมู่แต่ละเราจะให้เสมอกันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีหลายแนวความคิดแต่สรุปแล้วก็คือเจตนาเจตนาดีด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่มีเจตนาร้ายเจตนาดีแต่ว่าเจตนาดีเนี่ยติการรักษาจะดีจะดีาตามเจตนาหรือไม่ยาเนี่ยใครก็เจตนาดีาจะให้หายแต่ยาตัว น, นั้น่ะ มันจะดีตามเจตนาหรือไม่ยากับเจตนาไม่ใช่อันเดียวกันนะยาดีกับเจตนาดีเนี่ยมันต่างกันเพราะนั้นการเจตนาดีเราก็ต้องดูว่าการรักษาในได้ผลอย่างไรโอ้เข้าไปดูดแล้วออาตาเจวันหนักไหมไม่มีอะไรที่จะพูดได้เลยงั้นแต่ไม่รู้จะหนักลักษณะยังไง ไม่รู้จะออกอยังไงแต่สรุปแล้วก็คือส่วนในใจลึกๆอของแต่ละคนผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องได้คิดไว้ในใจนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องไปตามกฎอ น, นิจังทุกขังอนัตตาไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้ถึงเราจะทุกกับท่านก็เท่านั้นแต่การไม่ทุกไปคิดเฉยมันก็ไม่ถูกแต่คิดจนหนักใจจน ไม่มี เ, เสียรูปแบบไปมันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวคิดต้องคิดช่วยต้องช่วยทาต้องทาแต่ในใจส่วนหนึ่งแล้วเราต้องออต้องปล่อย ต, อต้องต้องคิดในกฎทำคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าอันนจ้างทุกขังอนัตตาอันนี้ในใจของเราสวนลึกจุดนั้นคือฐานจุดนั้นอ่ะต้องมีฐานเอาไว้ อถอยลงโกดออกมาแล้วก็ต้องมาวิ่งผิดถึงฐานตัวนั้นงหมือนกันฐานตัวนั้นคือฐานอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีใครแท้าจิตหลีกลี้หนีพ้นไปได้แต่เวลา บ, บุกออกไปไปสู้เราก็ต้องไปคิดทํายังไงช่วยยังไงจัดการยังไงแต่มันสุดวิสัยจริงๆบางคนวิ่งเข้ามาหาฐานเก็กอีกอนิจจังทุกขังอนัตตาอีกมันตรองลักษณะอย่างนั้นน่ะจึงไม่เสียศูนเหมือนกันถ้าคนไม่ ไม่มีฐานเสียสูญได้ไง่ายๆเหมือนกันนะเพราะนั้นการที่จะไปดูแลพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในครั้งพุทธเจ้าในครั้งพุทธการหลวงพ่อวานพระสงฆ์ในยุคนั้นศรัทธาญาติโยมในยุคนั้นหลงพ่อวานอย่างนี้แหละฟังดูแล้วไม่พู้อยู่ใกล้ก็ไม่ใช่ธรรมดาเพราะรักเคารพในองค์หลวงตา จะดูจะด่าใครจะว่าให้ใครก็มันก็เท่านั้นเออดูดายุว่าอยู่เออบาทําอย่างนั้ทํานี้เออแต่ว่านึกถึงในใจเราก็ต้องดูฟังเจตนาดูเจตนาของเขาเขาเจตนาดี เ, เออแต่เขาก็มีเจตนาอย่างนั้นมีความคิดเท่านั้นมีความเห็นเท่านั้นเอเสียงเหล่านี้มันต้องเออบวกลบคูณหารทบทวนดู แนวความคิดของทุกๆคนทุกๆท่านประมวลลงมาแต่ว่าถึงยังไงก็อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสวยอาหารที่นายที่บ้านนายจุนทะกมันบุตรกุมารบุตรพอฉันอาหารตอนเช้าท่านก็รู้ว่านี่อาหารสุกรมัทวะ สุกรมัทธาวะเนี่ก็ บ, บางคนก็ว่าเป็นอาหารของเป็นอาหารของสุกรเป็นเห็ดที่สุกรมันกินที่มาถวายคือคืออาหารอ่อนแต่บางคนก็ว่าหมูอืหมูน้อยหมูยังยังเนื้ออ่อนอยู่ที่นายจุนทกกำมันบุตรทําถวายพระพุทธเจ้าในเช้าวันนั้นพระพุทธองค์ก็รู้แลยว่าอันนี้คืออาหาร ที่เราต้องสวยไปแล้วเนี่ยจะต้องให้โทษกับเราก็ทั้งพระ อ, องค์ค์จะรู้รรคกกำในอดีตชาติพระ อ, องค์อย่างไรพระ อ, องค์จึงเฉวยพรกยาหารอย่างนี้พอเฉวยภรกยาหานนะท่านไม่ให้องค์อื่นฉันนะท่านไม่ให้องค์อื่นฉันนะพอฉันเสร็จแล้วเอาไปฝังดินนะไปเผาไปฝังดินอาหารนะแต่พระ อ, องค์พระฉันแต่องค์อื่นไม่ให้ฉันแต่พระ อ, องค์รู้ว่าอาหารที่จะเป็นพิษ พระองค์ต้องรู้ว่าอาหารจะต้องเป็นพิษถ้าให้องค์อื่นฉันจะต้องเป็นพิษเนี่ยนี่แหละพระพุทธองค์ท่านยอมรับของเรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของพระองค์อื่นไม่ใช่เรื่องของใครอื่นเป็นเรื่องของพระองค์เองในเมื่อนายจุนทะเอาถวายอาหารเข้ามาถวายกับเพื่อพระสงฆ์ที่บริษัทบริวารของพระพุทธเจ้าที่ไปฉันในบ้านของนายจุนทะ พอฉันพออาหารเข้ามาพระพุทธองค์ก็ฉันพรอฉันเสร็จแล้วก็อาหารจํานวนทนะั้นเอาไปฝังดินใช่นะฝังทิ้งใช่นะไม่ให้องค์อื่นฉันถ้าพิจารณาอีกแบบหนึ่งกับเหมือนพระพทุทธเจ้าเห็นแก่ตัวขี้ตนีทีเหนียวอาหารดีๆกินแต่ฉันแต่องค์องเดียวไม่ให้องค์อื่นฉันถ้าพระปุถุชนนะถ้าพระประธานเลยท่านก็รู้เหตุรู้ผลต้องไปว่าอะไร แต่พูดให้ชาวทัานรู้ถ้าพวกท่านฉันไปแล้วจะต้องเป็นพิษแต่ไม่เป็นไรสําหรับเราเราก็จะทิ้งขันในวันนี้อยู่แล้วเป็นเรื่องของเราจากนั้นพอถาวายอา่านเสร็จแล้วพระองค์ก็เดินทางไม่มีรถรถยน์ไม่มีร ถ, รถม้มถมาไม่มีรถอะไรเดินไปเรื่อยๆเหมือนกันเดินชัดเซพเนจรไปเรื่อย คงจะไปถึงแม่น้ำาตรงพ่อจำไม่ได้พองนึกคิดเร็วๆมันจำไม่ได้แต่ขณะที่เดินทางไปนั้นพระพุทธองค์ก็บอกกับพระสงฆ์บอกตรัพระอา น, น์ว่านายจุนท่าเนี่ยคงจะวิตกกังวลเมื่อทานอาหารของนายจุนท่าแล้วพระ อ, องค์ก็ปรินิพานตายพูดง่ายๆเพราะเป็นอาหารของเรากระหวัง ให้พระอานทน์บอกกับนายจุนทะด้วยว่าอาหารของจุนทะที่ถวายมื้อสุดท้ายนี้มีอานิส่งเท่ากับนางสุชาดาถวายข้าวมัตุปยาดวันที่เราได้ตัดสรุบอกจากนั้นนะอานทน์บอกกับนายจุนทะนะถ้าหาว่าเขาเไม่ได้ยินคำตรัสของเราเขาจะมีความเสียใจ เมื่อความเสียใจแล้วทุกขติจะเป็นทางไปเมื่อคนเสียใจตลอดถึงวันตายตายแล้วก็ยังคิดว่าเราได้ถวายอาหารพระพุทธเจ้าจนพระพุทธเจ้าปรินิพานตายเพราะอาหารของเราเนีขาจะตายเพราะเขาจะไปตกนรกเพราะเหตุใดเพราะความคิดของเขาจิตใจมันเศร้าหมองในบอกเขาเลยนะที่เราทานโหยพรกายอาหารมื้อสุดท้ายของนายจุนทะนี่นายจุนทะ มีอนนสงมีบุญเท่ากันเท่ากันกับนางสุชาดาที่ถวายเข้ามัทุปยาติวันที่เราได้ได้ตัดสรุปพระพุทธองค์สั่งกับพระอนุ น, นเห็นไหมความพระเมตตาของพระพุทธเจ้าขนาดนั่นหละจากนั้นก็เดินเซทเซพเนจรไปเขากว่าเดินแบบอายุแปดสิบปีแล้วนะคนอายุ8ปดสิปีแล้วก็เดินจะไปขนาดไหนเดินเดินไปเลย ไปถึงริมแม่น้ำแม่น้ำเมืองกุชินาลากับตรงเนี้ยมันคนเราฝังกันแต่พวกเกวียนห้าร้อยเล่มเออมันผ่านไปทางทางเหนือน้ำผ่านไปนางเหนือน้ำเกวียนห้าร้อยเล่มมันจะผ่านช้าขนาดไหนแต่ในน้ำก็ไหลลงมาข้างล่างมาข้างล่างน้ำขุ่นขนาดไหนเกวียนทั้งห้ารอยเล่มพอนี้พระองค์ก็ไป ตรงถึงฝั่งแม่น้ำที่จะข้าม ท, ทิ่งทัคงข้างล่างได้จะข้ามไปเมืองกุสินาราเนะ่ยพระองค์ก็บอกพระ อ, อ น, นุนว่าอานน์ให้พับผ้าสังคาติเป็นสีชั้น เ, เราตถาคตเหนื่อย เ, อเราตถาคตจะพักนี่แหละคือสมัยนั้นไม่มีเสือมีศาสตร์มีหมอนอต่างหากคือใช้ผ้าสังคาติทั้งห่มด้วย ทั้งปูนอนด้วยนี่แหละพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีความสันโดษมากไมยขนาดไหนถ้ามาเปรียบเทียบกับพวกเราทุกวันนี้ก็มันคนละทิศคนละทางแต่ทีพระองค์เดินทางจากนั้นก็พระองค์ก็พระอานน์ก็รีบจัดแจง จัดผ้าสังคาติปูนอนผ้านนก็อายุ8ปดสิบเหมือนกันนะกับพระพุทธเจ้าสรุปแล้วก็คือพระนนก็ไม่ไม่ใช่พราหนุ่มผ้าน้อยอายุแปดสิบเท่ากับพระพุทธเจ้าพราสงฆนะ์ที่เป็นลูกศิษย์นัมช่วยกันจัดการลมดูจากนั้นพระองค์ก็ น, นอนพักผ่อนพระองค์ก็บอกว่ า, อ, านอนนท์ให้นำบาตรไปตักน้ำมาให้เราดื่มที่เราหิวก็หาย เขาว่าขิวก็หายเราบอกธาตุขันเนี่ยเหมือนกับรถน่ยมันหมดน้ํารถของท่านนะมันหมดน้ําให้พระ อ, อ น, นุนไปนําน้ํามาเพื่อเติมน้ํามันรถ ด, ด้วยแต่ใจของพระ อ, องค์ไม่ได้สะทกไม่ได้ชะทานไม่ได้ทกกับธาตุขันร่างกายของพระ อ, องค์แต่ก็บอกพระ อ, อ น, นุนว่าให้เป็นนาน้ํามามาให้ให้เราเราหิวก็หาย อ, อ น, นุนไปพระ อ, อ น, นุนก็ได้เอาบาต ไม่มีกระป๋องนะไม่มีขันน้ำนะบาทนะที่ใช้ฉันอาหารทุกเชานะ้าเนี่ยได้นำบาทของพระองค์ไปตักเอาน้ำพอไปเห็นกับน้ำขุนถึงนี่พอเกวียนผ่านไปทั้งห้าร้อยเล่มอย่างที่ว่านะผ่านไปไมไม่นาน น, ะน้ำก็ไหลทะลักลงมาน้ำขุนกลักไปถึงป้านนนเห็นแล้วโอ้ตายเราจะให้พระพุทธเจ้าดื่มน้ำขุนนี้ได้อย่างไรไม่ได้พระนน ท้อใจอย่างมากเลยไม่รู้จะหาน้ําที่ไหนเดินกลับพอเดินกลับมาถึงพระพุทธองค์พระบอกเพราะข้าพระองค์ไม่ได้นําน้ํามาพระเจ้าข่าเพราะน้ํามันขุนมากเพราะเวียนเพิ่งผ่านไปน้ํายังขุนอยู่พระเจ้าข่าพระพุทธองค์บอกว่าอาอน o ์เราหิวก็หายให้ไป น, น, นําน้ํามาถวาย น, นําน้ํามาเอาขุนก็ตักเอามาเลยเอามาเลยเห็นไหม พระอโนนก็เดินกลับไปอีกทีนึงด้วยความท้อแท้ใจอย่างมากเหือนกันพ้นน้ำมันขุ่นกระเหียงกับตายเสร็จแล้วจะไปตักน้ํามาถวายพระพุทธเจ้าได้อย่างไรแต่เนี้ก็ด้วยความคิดถึงพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าเรากระหายน้ําจะทํำยังไงได้ก็ไม่มีน้ําที่อื่นพระอโนนก็คงจะกวาดหน้าน้ําข้างบนเสร็จแล้วก็คงจะเอาบาตตักแหละตักเอาน้ําที่ขุ่นๆนั่ น, นแหละ พอไม่มีที่ไปเลยนะมันมันไม่มีที่น้าไม่มีที่อื่นแล้วพอตักเสร็จแล้วพระอานนก์ก็อุ่มบาตอุ่มน้ำอุ่มบาตมาพอตักขึ้นมาท่านนะ่ะน้ำที่ขุนขุนนะกับใสแจ๋วขึ้นมาเลยเสียบพรันนะแบบใสแจ๋วเสียบพรัน น, ะน้ำใสสะอาดมากขึ้นมาพระนนมองเห็นน้ำโอ้ทำไมน้ำขุนขุนจังกับ ใส่ถึงขนาดนี้โอ้อภินิหารพุทธานุภาพถึงขนาดนี้เชี่ยวเหรอพระอนุนก็แปลกใจแปลกใจแต่ไม่แปลกใจเราทัานรู้อยู่แล้วว่านี่คือพุทธานุภาพของพระพุทธทเจ้าจากนั้นพระอนุนก็นําน้ํามาถวายเพราะพุทธองค์ก็ได้ดื่มน้ําด้วยความกระหายพระอ น, นุก็ได้บรรยายว่าข้าพระองค์ไปตักน้ําน้ําขุน แต่พอตักขึ้นมาแล้วน้ำใสสะอาดสับพรันพระพุทธเจ้าข่าพระพุทธองค์ก็รู้โดยไนไม่ได้ตรัสอะไรก็รู้แล้วอะไรคืออะไรจากนั้นก็พระองค์ก็ฉันดื่มน้ำเสร็จแล้วก็เอาเดินทางต่อไปเมืองกุชินาลานี่แหละอันนี้แหละคือ การอาพาธของพระพุทธเจ้าอายุ80ดสิปีพระอนต์พร้อมกับพระสุ์ตั้งห้าหมู่ใหญ่ห้าร้อจากนั้นก็เดินข้ามแม่น้ำคงจะแม่น้ำกว้างตื้นนะนะจากนั้นก็เดินไปที่สวนอุทยานของมรรคษัตย์เมืองกุศินารานี่แหละอันนี้คือทำไมพระพุทธองค์จึงเป็นอย่างนั้นปูนหลัง จะเป็นพระพุทธเจ้าตราัสหรือว่าเป็นพระสาวกของพระพุทธองค์ได้ตรัสอันนี้ยังไม่ชัดเจนว่าพร ะ, พระรองค์สมัยก่อนหน้านี้พระรองค์ใช้กรรมของพระองค์เหมือนกันพระองค์ก็มีกลรมเหมือนกันกลรมคือในอดีตอดีตกลรมคือได้กระทำไว้แล้วบอกว่าพระองค์ได้เคยเอาวัวเลี้ยงวัวแล้วพาวัวไปกินน้าขุนแต่ตามจริง น, น้าใสก็ไม่อยู่แต่มันไกล ขี้เกียจพาเดินไปพงั้นเถอก็เลยเอามากินน้ําขุนขุนวัวก็ได้กินน้ําขุนนั่นแหะทุกวี่ทุกวันกรำอันนั้นแหละมาตามสนองเรานี่เห็นว่ากรำที่สิ่งที่ไม่ดีและอย่าทําเฉยเลยดีกว่าพอทําไปแล้วมันจะต้องมาให้ผลในในเวลาใด เ, เวลาหนึ่งแน่นอนเพราะนั้นพระพุทธเจ้าว่อาอกตังทุกตังเสยโย กรรมชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมให้ผลเมื่อภายหลังนี่แหละพระพุทธองค์แท้ๆก็ยังได้รับผลแห่งกรรมเพราะนั้นพวกเราที่ดูแลพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างองค์หลวงตาของเราเนี่ยน่ะเราก็ต้องดูทห้ดีที่สุดคิดให้ดีที่สุดทำให้ดีที่สุดพูดให้ดีที่สุดคำว่าที่สุดนี่คือที่ไหนที่สุดของใครของเราน่ การคิดร้ายก็ดีการทําไม่ดีก็ดีการพูดไม่ดีก็ดีไม่เป็นมงคลสาหรับพวกเราผู้อยู่ใกล้นี่แหละที่หลวงพ่อเข้าไปทาหน้าที่กันแทนวัดวาศาสานาหรือแทนวัดของพวกเราเนี่ยหลวงพ่อทาไม่ใช่ว่าไปด้วยความสนุกสนานไปด้วยความเพื่อทดแทนพระคุณ ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตากับหมู่กับเพื่อนจะช่วยกันคิดจะคุยกันพิจารณาคุยช่วยกันอย่างไรแล้วขอให้พวกผู้อยู่วัดลูกหลานทุกองอยู่วัดนะให้ต้องตั้งใจภาวนานะพยายามทําภาวนาอย่าไปเห็นแก่อยู่แก่กินแก่หลับแกนอนแก่พูดแก่คุยแกโม่แก สนุกสนานเพิดเพลนเอหานอกหลูนอกทางครูบาจารย์ไม่อยู่ไม่ได้นะอต้องเข้มงวดขวดขันที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษามาอย่างไรให้เข้มงวดขวดขันตรวจตราดูตนเองเห็นไหมพ่อแม่ครูบาจารย์ท่านมีบุญวาสนาบุญหนักสักใหญ่ถึงขนาดนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านมีบุญหนักสักใหญ่ขนาดนั้นอพระรหัสสาวกเป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่ขนาดไหน ผลที่สุดก็ต้องอยู่ในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเราได้เป็นใครพวกเราไี่เป็นใครให้ถามตนเองไว้อยู่เสมอจึงจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเราถึงที่สุดแต้อย่างเราพ้นทุกข์หรือยังเราหมดกิเลสหรือยังเราเป็นพระอาหารหันต์หรือยังให้ถามตนเองไว้ถ้าไม่ถามถ้าไม่ศึกษาถ้าไม่ถามลุ่มหลงมัวเมาได้ง่ายๆเหมือนกันนะ ผลอั้นทาว่าเราถามอยู่เราอยู่เสมอทักท้วงเราอยู่เสมออเราจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาททําคําสอนขององค์หลวงตาเราเปิดฟังเวลาไหนก็ได้กลางคืนเทศอยู่ทั้งคืนนี่แหละธรรมเทศนาของท่านแนะนําสั่งสอนพวกเราพวกเราหน้าตั้อกตั้งใจประพฤติธปฏิบัติธรรมแะ้วจะตั้งอยู่ในความประมาทพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็อย่างนั้น่ะลุงพ่อที่อยู่วัดก็ ก็ไปดูแลพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราอยู่วัดอยู่กับศีลอยู่กับธรรมอยู่กับการประพฤติธปฏธิบัติจะตั้งอยู่ในความประมาทตั้งอกตั้งใจภาวนา น, นั่นนะรับพรในตันี้อนุโมทนาให้พร